วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีฉลูก็นับได้3สัปดาแล้วหลังจากวันเข้าพรรษาโดยปกติแล้วช่วงเวลาเข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงเวลาสำหรับพระเนนที่จะไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนๆตลอด3เดือน โดยเหตุนี้จึงทำให้พระเถระและพระใหม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยไต่ถามเพื่อการศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนของพระศาสดาในฝ่ายคามวาสีหรือที่เราเรียกกันชินปากว่าวัดบ้านหรือวัดเมืองการศึกษานั้นส่วนมากก็เน้นไปทางเรียนหลักสูตรนักธรรมหรือหลักสูตรบาลี ส่วนฝ่ายอรั ญ, ญวาสีหรือที่คุ้นเคยกันว่าวัดป่านั้นส่วนมากก็เร่งลงมือปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนาในบางที่ก็อาจจะมีการถือข้อวัดพิเศษเช่นทุตดงควัดบางข้อเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนจิตใจเพิ่มเป็นพิเศษกว่าปกติช่วงนอกพรรษาแล้วญาติโยมทั้งหลายละ่ะในพรรานี้ แต่ละท่านได้ถือโอกาสเข้าพรรษานี้ปรารภทําความดีอะไรเป็นพิเศษกันบ้างณตอนนี้ก็ผ่านมาเพียงสามสัปดาห์สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีการปรารภอัตมาภาพก็ขอเชิญชวนให้ปรารภการทําความดีอะไรสักอย่างในช่วงพรรษานี้ส่วนมากที่จะได้ยินกันบ่อยๆก็เช่นงดดื่มเหล้าบ้างงดสูบบุหรี่บ้าง บางคนเป็นคนนอนดึกตื่นยากนอนขี้เศราหรือนอนตื่นสายก็ปรารบแก้นิสัยนี้ให้กลายเป็นคนที่เมื่อตื่นแล้วก็ลุกขึ้นเลยไม่นอนขี้เกียจต่อแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีอธาธรามภาพก็ขอเสนอกรอบง่ายๆให้ลองนำไปพิจารณานั่นก็คือศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นถ้าท่านใดเห็นถึงข้อที่ควรจะพัฒนาในด้านศีลและศีลข้อไหนก็ลองตั้งใจและพยายามมุ่งมั่นทำให้ดีภายในระยะเวลาเข้าพรรษานี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านคงไม่ใช่ให้ทำแค่ในระยะการพรรษาเท่านั้นแต่การที่เราสามารถทำได้จนสำเร็จ คือทำได้ตลอดพรรษาคือสามเดือนนี้มันก็จะเป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ดีใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ความเคยชินความคุ้นชินจากการที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดสามเดือน mm. ก็จะเป็นต้นทุนที่เราจะทำความดีนี้ต่อไปเรื่อยๆหลังจากผ่านช่วงพรรษาไปแล้วทีนี้ก็ขอวกกลับเข้าหัวข้อของวันนี้ คือพุทธภาษิต ท, ที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปบทอันเป็นส่วนหนึ่งจากพระสูตรที่ว่าด้วยมงคลต่างๆซึ่งที่มาของพระสูตรนี้ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือมีการถกเถียงวิเคราะห์กันไปต่างๆว่าอะไรคือมงคลและมีอะไรบ้างที่เป็นมงคลบางกลุ่มก็นำเสนอแนวคิดแต่ก็มีอีกกลุ่ม ยกเหตุผลมาคัดค้านซึ่งปัญหาเกี่ยวกับมงคล น, นี้ก็กระจายไปทั่วชมพูทวีปกินเวลาถึง12ปีทีเดียวตามตำนานกล่าวไว้ว่าปัญหานี้ไม่เพียงแต่ถกเถียงกันเฉพาะหมู่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาที่ลามไปเป็นที่ตกเถียงกันในหมู่เทวดาและพรหมอีกด้วยจนเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติตรัสรู้แล้วหน้าวันหนึ่ง ที่เมืองสาวัตถีเมื่อพระองค์ประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันมูเทวดานำโดยเท้าสั ก, กัดเทวราได้พากันไปทูลถามปัญหาเกี่ยวกับมงคล น, นี้กับพระศาสดาพระศาสดาจึงประทานชี้แจงว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลซึ่งคำชี้แจงในครั้งนั้นก็ได้กลายมาเป็นพระสูตรที่เราท่านต่างคุ้นเคยกันดีในชื่อว่ามงคลสูตร ใจความเนื้อหาก็แจกแจงมงคลไว้ได้ถึง38ข้อด้วยกันมีอเซวนาจบาลานังคือการไม่คบคนพานเป็นข้อต้นเพียงแค่คำแปลของมงคลข้อแรกท่านทั้งหลายน่าจะพอเดาความหมายของคำว่ามงคลกันได้แล้วมงคลไม่ได้มีความหมายไปในทางเครื่องรางความขลังหรืออะไรทํหนองนั้น ความหมายที่แท้จริงของมงคลคือความเจริญหรือพัฒนาให้ดีขึ้นฉะนั้นจากมงคลข้อต้นคือการไม่ครบคนผ่านถ้าบุคคลใดทำข้อนี้ได้อย่างจริงจังแล้วชีวิตของบุคคลนั้นต้องมีการพัฒนาไปในด้านที่ดีขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้อาตมาภาพก็ขอยกข้อที่ว่าพุทธสโลกธรรมเมหิ จิตตังยัตสะน ก, กรรมปรติมาบรรยายแจกแจงตามกำลังสติปัญญาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้นำไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งซึ่งมงคลพาสิธทธิได้ยกมานี้ก็มีใจความว่าจิตของผู้ใดอันโลกธรรม ท, ทั้งหลายกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนี้เป็นมงคลอันสูงสุด แต่ก่อนที่เราจะได้วิเคราะห์มงคลภาสิทธิ์นี้ต่อไปสิ่งสําคัญคือต้องทําความรู้จักกับศัพท์คือโลกธรรมกันก่อนว่าคืออะไรมีอะไรบ้างในหลักสูตรนักธรรมตรีท่านได้ให้ความหมายของคําว่าโลกธรรมไว้คือทำที่ครอบงําสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นมี8ดอย่างคือ มีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งและทุกหนึ่งถ้าเราพยายามพิจารณาความหมายของคำว่าโลกธรรมความหมายที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นความหมายที่ดีและตรงกับสภาวธรรมแต่ก็อาจจะเป็นภาษาเก่าไปสักหน่อย อาจจะทำให้บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะทำให้ความหมายดูเรียบง่ายขึ้นส่วนมากก็จะใช้คำแปลกันว่าธรรมดาของโลกแต่พอใช้คำว่าทำอธรรมภาพก็รู้สึกว่าคนจะให้ความรู้สึกไปในด้านดีสะส่วนใหญ่เหมือนกับที่เราชอบใช้คำว่าบุญในความหมายด้านดีแต่ใช้คำว่ากรรม ในความหมายด้านลบซึ่งแท้จริงแล้วคาว่า ร, รมก็มีความหมายกลางๆใช้ได้ทั้งสองด้านคือทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นถ้าจะให้รู้สึกสนิทใจขึ้นอาตมาก็จะขอแปลโลกธรรมว่าเรื่องของโลกที่แปลแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อคนเราอยู่ในโลกก็ต้องเจอเรื่องแปดอย่างที่ว่ามานี้ยกตัวอย่างเทียบเคียง เหมือนเราไปเมืองหนาวเมืองที่มีหิมะตกในฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูหนาวการมีหิมะตกก็เป็นเรื่องธรรมดาของที่นั่นการไปอยู่แล้วเจอหิมะที่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของเมืองนั้นในทานองกลับกันอย่างเมืองไทยของเราหน้าหนาวก็จะไม่หนาวถึงกับมีหิมะตกฉะนั้นการมาเมืองไทยในฤดูหนาวแล้วจะเจอหิมะนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องปกติของที่นี่นี้ฉันใดการที่เราอยู่บนโลกนั้นเรื่องปกติของโลกเราที่เมื่ออยู่บนโลกสิ่งที่เราจะต้องเจอต้องประสบนั่นก็คือเรื่องของมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์เพราะฉะนั้น เรื่องทั้ง8อย่างนี้จึงเป็นเรื่องประจำโลกเป็นเรื่องของโลกซึ่งถ้าบุคคลใดไม่ศึกษาเรื่องทั้ง8นี้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่บนโลกใบนี้แบบทุกข์มากกว่าสุขยกตัวอย่างเหมือนคนไปประเทศที่มีหิมะแต่ไม่ศึกษาว่าการที่อยู่ในสภาพอากาศที่มีหิมะจะต้องทําอย่างไร ป้องกันความหนาวแบบไหนถึงจะเหมาะสมจึงอยู่ได้อย่างสบายบุคคลนั้นก็จะอยู่ได้อย่างลำบากเมื่อเทียบกับคนที่ศึกษาและเข้าใจสภาพความเป็นไปของเมืองที่มีหิมะคนที่รู้และเข้าใจก็จะมีวิธีรับมือและอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างผาสุกมากขึ้นฉะนั้นการศึกษาให้เข้าใจโลกธรรมคือเรื่องของโลกนั้น จึงเป็นสิ่งที่นักปราถทั้งหลายให้ความสำคัญและนำพาตนให้ก้าวข้ามเรื่องของโลกนี้ให้ได้เพื่อไปให้ถึงจุดที่องค์พระาศาสดาตรัสชี้เป็นเป้าหมายนั่นก็คือโล ก, กุตรธรรมคือธรรมอันพ้นวิสัยของโลกอันประกอบไปด้วยมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นแดนธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ขึ้นชื่อว่าทำนิพพานให้แจ้งได้แล้วอยู่อย่างไรทุกขถึงซึ่งบรมสุขดังพุทธดํารัสว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทีนี้ก็ขอย้อนกลับมาที่หัวข้อหลักก่อนที่จะออกนอกประเด็นจนเกินไปถึงแม้ว่าโลกธรรมจะมี8อย่างแต่ก็สามารถจัดกลุ่มได้อยู่สองแบบ คือกลุ่มที่เป็นที่น่ายินดีพอใจหนึ่งได้แก่มีลาบมียศสรรเสริญและสุขคือเมื่อโลกธรรมกลุ่มนี้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดก็จะทําให้เกิดความยินดีพอใจแก่ผู้นั้นส่วนอีกกลุ่มได้แก่ไม่มีลาบไม่มียศนินทาและทุกข์โลกธรรมกลุ่มนี้ก็จะสร้างความไม่ยินดี ไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกทำนี้กระทบแต่ก่อนที่จะอธิบายต่อไปบางท่านอาจจะสงสัยว่าปกติแล้วจะคุ้นจินกับการได้ยินมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมากกว่าทำไมอาตมาจึงใช้ว่ามีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศ ก็ขอตอบข้อสงสัยนี้ว่าในพระบาลีท่านใช้คำว่าอาลาโภคือไม่มีลาบอัยโซคือไม่มียศแต่ที่เราแปลว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศนั้นก็คงจะอยากให้เห็นถึงความไม่น่ายินดีพอใจเพราะลาบยศที่มีนั้นได้เสื่อมไปนี้เป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย แต่แท้จริงแล้วถ้าใช้คำว่าเสื่อมลาบก็ดีเสื่อมยศก็ดีอย่างไม่ครอบคลุมทุกประเด็นของความหมายคำว่าไม่มีลาบไม่มียศก็ตรงตัวในความหมายของสัตว์ดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องรอมีแล้วเสื่อมไปแต่การไม่มีแต่ต้นนี้ก็เป็นอีกความหมายที่ว่าถ้าใช้คำว่าเสื่อมจะสื่อสารขาดความนี้ไปยกตัวอย่างเช่น คนที่เกิดมาร่ำรวยแล้ววันหนึ่งเงินทองที่มีหมดไปอันนี้คือลาบที่มีนั้นเสื่อมไปแต่คนที่เกิดมายากจนขัดสนแต่ต้นแบบนี้จัดอยู่ในเสื่อมลาบไม่ได้แต่ต้องจัดอยู่ในประเภทไม่มีลาบทีนี้อธิบายความหมายของไม่มีลาบนี้แบบไหนในของการไม่มียศก็เทียบเคียงกันได้เช่นกันฉะนั้นก็จะขอข้ามไป อธิบายมาจนยืดยาวบางท่านอาจจะลืมความหมายของมงคลภาสิทธิ์ที่ได้ยกไว้แต่ต้นฉะนั้นก็จะขอยกความหมายมาอีกครั้งหนึ่งจิตของบุคคลใดถูกโลกธรรม ท, ทั้งหลายถูกต้องหรือกระทบแล้วเป็นจิตไม่หวั่นไหวนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลหรือความเจริญในภาสิทธินี้ก็เน้นลงไปที่จิต เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตไม่ให้หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งหลายบางท่านอาจจะมีคำถามแทรกขึ้นมาว่าจิตที่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมมันดีหรือไม่ดียังไงแล้วเปรียบเทียบกับจิตที่ไม่หวั่นไหวแล้วมีความแตกต่างกันยังไงการที่เรามีลาบมียศสันเริญสุขมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือทาไมจึงต้องยับยัง้ง หรือทำใจไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านี้มีลาบก็โยงไปถึงความสุขมียศก็โยงไปถึงความสุขสันเสริญก็เช่นกันแล้วการที่มีความสุขมันไม่ดีตรงไหนสิ่งที่เราควรระวังควรจะเป็นไม่มีลาบไม่มียศนินทาและทุกสิก่อนที่จะลงในรายละเอียดก็ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสุข ความทุกข์สักนิดหน่อยสุขและทุกข์นั้นถ้าพูดให้ละเอียดก็ต้องแจงเพิ่มเป็นสุขและทุกข์ทางกายหนึ่งสุขและทุกข์ทางใจหนึ่งพอพูดถึงทางกายกับทางใจแล้วก็อยากจะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้คบคิดเพิ่มเติมสักนิดว่าสุขทุกข์ทางกายกับทางใจอันไหนเป็นใหญ่กว่ากัน ซึ่งถ้าได้คําตอบในใจแล้วลองมาเทียบเคียงกับที่อาตมาจะนำเสนอดูบ้างเพื่อว่าจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีคำโบราณว่าไว้ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากซึ่งวลีนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงว่าคนสมัยก่อนก็ได้ทดลองจนสรุปได้ว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายถึงแม้ว่าจะกินอิ่มนอนหลับ ที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบายแต่มีเรื่องให้วุ่นวายใจอยู่ตลอดในที่นั้นๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์หาความสุขได้ลําบากในทํานองกลับกันบางคนอาจจะอดมื้อกินมือ้อความเป็นอยู่ฝืดเครื่องอยู่บ้างแต่ครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันดีอีกทั้งคนรอบข้างก็มีแต่ความรักความเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อกันด้วยดี เราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะพบรอยยิ้มในคนตัวอย่างนี้ได้มากกว่าคนในตัวอย่างแรกแน่นอนนี่ก็ชี้ให้เห็นถึงว่าความสุขความทุกข์ทางใจนั้นเป็นความสุขความทุกข์ที่เป็นประธานของชีวิตมนุษย์หรือหมู่สัตว์โลกฉะนั้นการที่เราบริหารจัดการให้มีความทุกข์ใจที่ลดลงมีความสุขใจที่มากขึ้นได้ ชีวิตเราก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระศาสดาก็ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเรื่องทางใจมากการที่พระองค์ได้ตรัสถึงแนวทางพัฒนาชีวิตพัฒนาตนหรือคําสอนที่ทรงวางแนวไว้ในมงคลสูตรนี้จึงแสดงตั้งแต่ขั้นต้ น, ตนเริ่มด้วยการเลือกสภาพแวดล้อมให้ตนเอง มีการไม่คบคนผ่านให้คบบัณฑิตเป็นต้นไล่ลำดับไปเรื่อยละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงข้อนิบาณสัจจ ah ิกิริยาคือการทำพระนิพพานให้แจ้งก็บรรลุการพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุดในคำสอนส่วนมงคลพาสิทธิที่ยกไว้แต่ต้นคือพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสานกรรมปติ อโศกังวิระยังเข้มังนี้โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่านี้เป็นผลของการทํานิพพานให้แจ้งคือจะเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ท, ทั้งหลายเป็นจิตที่ไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นจิตเกษมซึ่งผลเหล่านี้อัตมาก็คิดว่าเอาไว้เป็นตัวเทียบเคียงหรือตัววัดผลทางการปฏิบัติของเรานั่นเองในกรณีเผื่อว่า เราอาจจะคิดว่าเราน่าจะทำนิพพานให้แจ้งได้แล้วก็ให้ลองทดสอบกับข้อสอบวัดระดับนี้ดูนั่นก็คือการถูกกระทบจากโลกธรรม8ปนั่นเองถ้าเรายังมีความหวั่นไหวยึดถือยึดมั่นในโลกธรรมเหล่านั้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าเราก็ยังเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษายังไม่จบหลักสูตรแก้ทุกข์ที่องค์พระาศาสดาวางไว้ให้ ทีนี้ก็กลับมาประเด็นที่ค้างไว้คือโลกธรรมฝ่ายที่สร้างความไม่ยินดีไม่น่าพอใจนั้นควรระวังมากกว่าฝ่ายที่สร้างความน่ายินดีน่าพอใจสิจริงหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินลงไปก็น่านจะมาศึกษาดูแต่ละฝ่ายให้ละเอียดกันก่อนเริ่มที่ฝ่ายไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจซึ่งฝ่ายนี้ ผลท้ายสุดของกระบวนการก็เป็นที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วนั่นก็คือทุกนั่นเองเริ่มที่การไม่มีลาบแล้วยงไปที่ทุกอันนี้คงไม่ต้องอธิบายความกันให้มากไปเพราะภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วการที่ไม่มีลาบโดยเฉพาะในของการที่ปัจจัยสีนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมันนำมาทั้งทุกทางกาย และทุกทางใจอย่าไม่ต้องสงสัยอีกทั้งการที่มีราบแล้วราบเสื่อมไปกรณีนี้ก็นำมาซึ่งความทุกข์ทางใจแน่นอนดังที่พระพุทธองค์ทรงชี้แจงความทุกข์ไว้ในอริยสัจสี่ว่าด้วยหมวดทุกขอริยสัจในทุกขเหล่านั้นอปิเยหิสัมปโยโคโดุโคคือการประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ ปียหิวิปโยโคดุโคความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ยำปิดช่าง น, นลรพาติตามปิทุกข์าังอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้นี้ก็เป็นทุกข์สำหรับทุกข์เพราะไม่มีลาบหรือเสื่อมลาบในหมวดโลกธรรม8ก็เข้ากันได้กับทุกข์สามแบบในทุกขอริยสัจ ท, ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งการไม่มีลาบหรือเสื่อมลาบนั้นนอกจากจะได้ภาพทุกขภายนอกคือความขาดแคลนแล้วอัตมาภาพก็อยากจะย้ําอีกครั้งว่าเรากําลังเน้นอยู่กับเรื่องทุกข์ทางใจซึ่งทุกเพราะลาบนั้นก็จะบีบคั้นทางใจอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นเมื่อปุถุชนได้ถูกโลกธรรมว่าด้วยการไม่มีลาบเข้ากระทบแล้วเป็นธรรมดาที่ใจจะต้องมีทุกข์ หรือหวั่นไหวซึ่งภาพแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะนึกกันได้ง่ายแต่สิ่งที่เราอาจจะลืมไปก็คือเมื่อหวั่นไหวแล้วผลของจิตที่หวั่นไหวมันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไม่มีลาบเกิดความขัดสนหรือลาบที่มีเสื่อมไปแล้วก็เสียด้ยอาไลาอาวอสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปบีบคั้นจิตใจของผู้ถูกโลกธรรมนี้กระทบ สิ่งที่ตามมาคือวิธีแก้ไขปัญหาของการไม่มีลาบหรือเสื่อมลาบนั้นบางคนเลือกใช้วิธีที่ดีคือวิธีที่ยังอยู่ในกรอบของศีลธรรมบางคนก็เลือกวิธีที่เน้นแต่ผลลัพธ์โดยไม่ได้คำนึงปัจจัยทางด้านศีลธรรมก็มียกตัวอย่างคนที่ต้องการรายได้เพิ่มก็หาทาอาชีพเสริมสมัยนี้ คนก็หันมาเล่นหุ้นมากขึ้นบางคนก็ไปลงทุนกับเงินดิจิตอลซึ่งก็เป็นการลงทุนที่ได้เงินง่ายแต่ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนบางไรายได้กำไรบางรายก็ขาดทุนบางคนใช้เงินเก็บมาเล่นบางคนใช้เงินที่กู้ยืมซึ่งไม่ว่าจะกรณีไหนพอขาดทุนก็อยากที่จะได้ส่วนที่ขาดทุนคืนมา ก็จึงต้องหาเงินมาลงเพิ่มทางแยกก็จะเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ทางแยกแห่งความดีและความเสื่อมถ้าคนที่รักษาตัวไว้ได้อาจจะตัดใจยอมขาดทุนแต่สำหรับคนที่ยังจะไปต่อให้ได้ช่องทางที่จะหาเงินมาลงทุนเพิ่มนั้นมันก็จะมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องสำหรับคนที่เลือกทางที่ไม่ถูกต้องก็มีไม่น้อย บางคนเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะเลือกที่จะยักยอกเงินเพื่อ น, นามาลงทุนเป็นต้นส่วนในกรณีของการไม่มีลาบคนที่ทุกขยากขัดสนนี้ก็จะบีบคั้นให้เขาเลือกที่จะหาเงินหรือหาเครื่องอุปโภคบริโภคในทางไหนแน่นอนคนก็เลือกที่จะปล้นจี้ขโมยโกงเป็นต้นก็มีไม่น้อย ท้งนี้ก็้วยอำนาจทุกข์ที่บีบคั้นจิตใจนั่นเองซึ่งการที่เราเลือกวิธีที่หลุดรอบของศีลธรรมนั้นภายนอกอาจจะดูเป็นการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปแต่มันก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นเท่านั้นเป็นวิธีการที่อาจจะรู้สึกว่าดีแต่ก็แค่ในเบื้องต้นส่วนในท่ามกลางและที่สุดนั้นมีแต่ผลเสียสาหรับชาวพุทธเรา เราก็มีคติความเชื่อในเรื่องของภพชาติด้วยว่าชาติก่อนมีชาติปัจจุบันมีและชาติหน้ามีผลของสิ่งที่เราได้กระทําลงไปหรือที่เรียกว่ากระทํำกรรมไว้ก็จะส่งผลไปถึงภพชาติหน้าด้วยซึ่งชาติหน้านั้นไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะที่เป็นมนุษย์เท่านั้นอายภูมคือนรกเปรตวิสัยอสุรกาย สัตยระฉานล้วนเป็นภูมิของบุคคลผู้ที่กำชั่วให้ผลการที่เราเลือกวิธีแก้ไขปัญหาโดยลืมที่จะคำนึงถึงผลของบุญและบาปนั้นประาทั้งหลายล้วนไม่สันเริญจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ดำรงตนอยู่ในความประมาทเพราะผลของสิ่งที่ทำไปสุดท้ายนำทุกข์เดือดร้อนมาให้ในภายหลังแน่นอน สำหรับไม่มียศและเสื่อมยศนั้นในในการอธิบายก็ใกล้เคียงกันคือเมื่อยศที่มีเสื่อมไปหรือการที่ไม่มียศแล้วอยากให้มียศขึ้นมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่บีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์และการแก้ปัญหาเพื่อให้ยศที่เสื่อมไปนั้นกลับคืนหรือจากที่ไม่มีแล้วให้มีขึ้นนั้นทางสองแพร่งระหว่างความดีและไม่ดี ก็เป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันกับกรณีของลาบที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นถ้าบุคคลใดเลือกที่จะใช้วิธีที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วไซพ้นจากการประกอบอาุสลกรรมก็ย่อมจะให้ผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่แน่นอนสำหรับผลผลกระทบของนินทากับจิตก็เป็นเรื่องที่ธรมธรมดาธรรมดาคือต้องมีความขัดเคืองใจแน่นอน การตอบโต้ด้วยการว่าเขาทำร้ายเขานั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบุคคลที่หวันไหวไปตามอารมณ์ที่ครอบงำจิตใจและผลของการแก้ไขปัญหาแบบนี้<ม>ก็เช่นเดียวกันคือมีผลเสียทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่ก็อาจจะดูรวบรัดไปสักหน่อยแต่ก็เพราะใช้เวลามาพอสมควรก็เลยขออภัยไว้ตรงนี้ด้วย สำหรับในฝ่ายของโลกธรรมที่ทำให้เกิดความยินดีพอใจคือมีลาบมียศสรรเสริญและสุขดูไปแล้วก็น่าจะมีแต่ข้อดีแต่ถ้าเราลองพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นอะไรๆเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการมีลาบนั้นโดยทั่วไปก็ดูไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไรโดยปกติเมื่อมีลาบเกิดขึ้น สิ่งที่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นคืออารมณ์ยินดีพอใจที่จะมากระทบใจนั่นเองและโดยปกติของคนที่ไม่ได้พิจารณาจิตใจโดยใช้ธรรมะอารมณ์ยินดีพอใจนี้ก็จะเข้าครอบงำจิตใจเบื้องต้นคือให้ยินดียึดถือในลาบที่มีถ้ามะาขึ้นไปอีกก็จะเป็นเชื้อหรืออาหารให้ความโลภเข้าครอบคุมจิตใจ มีแล้วปล่อยนานไปก็รู้สึกว่ามีน้อยต้องคอยหาเพิ่มเพื่อมาเติมเต็มความโลภที่กอตัวมากขึ้นเหมือนที่เราจะได้ยินกันว่ายิ่งรวยยิ่งจนที่จนนั้นก็คือใจมันจนยังรู้สึกถึงความไม่พอไม่เต็มเลยต้องหามาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือว่ามันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรมากหรือเปล่า โลกใบนี้เขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นใครหยุดหาก็จะลำบากอัตมาก็จะขอแก้ประเด็นนี้ว่าไม่ดีอย่างอ่อนคือใจไม่เป็นสุขเพราะอำนาจความหิวความเร่าร้อนของโลภะไม่ดีอย่างกลางคือหามาให้ได้มากๆโดยอำนาจโลภะแบบนี้ความตระหนี่ก็จะครอบงาใจได้ง่ายฉะนั้นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกับคนอื่น ก็จะทำได้ยากหรือทำได้แต่ก็จะแฝงด้วยเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลส่วนไม่ดีอย่างยิ่งก็คือทำให้เราสแสวงหาลาบดยพิดจากศีลธรรมจากที่ไม่เคยโกงก็โกงได้ไม่เคยรับช่อก็ทาได้เคยเป็นคนตรงไม่เคยโกหกปิดบัง ก็สามารถโกหกปิดบังได้ ye, เป็นต้นด้วยอำนาจของโลกธรรมนี้จิตที่วั่นไหวถูกครอบงมอย่างรุนแรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนให้จากคนที่เคยดีกลายเป็นคนที่ไม่ดีได้จากคนที่เคยอยู่ในทางของมรรคก็หลุดออกนอกมรรคได้มีผลทำให้เดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จากที่จะได้ไปสุขติโลกสวรรค์ก็ไปสู่ภูมิสัตวิรฉานอสุรกายเปรตวิสัยนรกได้สำหรับจิตที่ถูกโลกธรรมเกี่ยวกับการมียศเข้าครอบงำหวั่นไหวไปตามโลกธรรมนี้อย่างอ่อนก็จะเป็นคนจิตใจกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนดูถูกคนอื่นได้ แต่ในระดับนี้ยังไม่ถึงกับล้นทลักออกมาเป็นการพูดการกระทำเท่าไหร่มีผลในด้านทำให้จิตใจอยู่ในแดนอกุศลด้วยอำนาจมานาถือตัวซึ่งก็จะทำให้ใจไม่สงบเย็นถ้าเกิดถูกครอบงามอย่างกลางก็จะมีการคิดพูดทำในแบบที่กระด้างดูถูกคนกดคนอื่นทำให้การอยู่ร่วมกันไม่ผาสุกร่มเย็น แต่ถ้าอย่างรุนแรงก็ถึงกับสแสวงหายดให้มากมีหรือใช้ยศที่มีไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งก็จะไปผูกโยงรวมเข้ากับการสแสวงหาลาภในทางไม่ถูกต้องแบบควบกันไปเพราะฉะนั้นการมียศถ้ามีแล้วถูกอํานาจของยศเข้าครอบงำแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของจิตใจที่จะเสียไป มีความอ่อนน้อมถ่อมตนความเมตตาเป็นต้นก็จะนำพาให้เราทำอกุศลกรรมต่างๆได้อย่างไม่จํากัดจากที่เคยเป็นคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีจากคนที่เคยอยู่ในทางของมักก็หลุดออกนอกมักได้มีผลทำให้เดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสันเสริญกับเรื่องของยศก็ใกล้เคียงกัน เพราะได้ยินคําสรรเสริญแล้วถูกครอบงํามีผลทําให้ความประมาทจะมีกําลังเมื่อประมาทมากขึ้นกําลังสัมมาสติกําลังปัญญากําลังของหิริโอต ป, ปะหรือกําลังของธรรมะฝ่ายดีต่างๆนั้นต่างอ่อนกําลังลงไปฉะนั้นการแสวงหาลาภยศแบบไม่ชอบหรือการทําบาปอากุศลกรรมอื่นๆ ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกมีผลทําให้จากที่เคยเป็นคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีจากคนที่เคยอยู่ในทางของมักก็หลุดออกนอกมักได้มีผลทำให้เดือดอร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเดี๋ยวอธิบายโลกธรรมทั้งฝ่ายน่ายินดีพอใจและฝ่ายที่ไม่น่ายินดีพอใจแล้วน่าจะพอให้เห็นภาพได้ว่า ไม่ว่าฝ่ายไหนเราก็ต้องเฝ้าระวังจิตใจของเราให้ดีสำหรับฝ่ายไม่น่ายินดีนั้นก็ระวังเพียงชั้นเดียวเพราะอารมณ์ที่มากระทบใจนั้นเป็นอารมณ์ที่เราจะรู้สึกถึงความที่จิตใจโดนบีบคั้นบีบคั้นให้เราหลงไปทำอกุศลกรรมซึ่งอันนี้ก็จะชัดกว่าอารมณ์ของฝ่ายที่น่ายินดีพอใจ เพราะเมื่อจิตถูกกระทบอารมณ์ที่เป็นฝ่ายน่ายินดีพอใจก็จะไม่ค่อยรู้สึกต้องระวังตัวเท่าไหร่เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดโมหะครอบงาให้หลงไปในอารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องแล้วกิเลส ต, ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ดีโทสะก็ดีก็ทำงานได้อย่างสบายๆจงให้เราหลงไปทำอกุศลกรรมได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจ ก็จึงเป็นโลกธรรมฝ่ายที่น่าจะระวังได้ยากมากกว่าฝ่ายที่เป็นอารมณ์ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจทีนี้ปกติของการอยู่บนโลกใบนี้ยังไงก็ต้องเจอโลกธรรมทั้งสองฝ่ายแน่นอนแล้วประการทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้วางแนวทางไว้ให้เรายังไงพระพุทธองค์ก็ทรงวางแนวทางไว้ให้ ดังปรากฏอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าโลกธรรมสูตรบทสรุปที่ทรงแสดงไว้มีว่าลาโภอลาโภอายโโซโยโซจะนินดาปะซังซาจะสุขขั้งจะดุขขังเอเตอานิจามนุเชสุธรรมมาอสัตสตาวีปรินามธรรมมาทมในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือ ลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสรนเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความแปรปลวนเป็นธรรมดาเอเตจยตวาสติมาสุเมโทแต่ท่านผู้เป็นนักปราดมีสติทราบธรรมเหล่านั้นแล้ว ะเวขันตีวีปริณามะทมเมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอิทัสสะธรรมานมเทนติจิตตังรมอันน่าปรารถนาย่อมย่ม ย, ยีจิตของท่านไม่ได้อณิธิโตโนปติคาตเมติท่านยอมไม่ยินร้ายต่ออณิถารมฉะนั้น การพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของธรรมทั้ง8นั้นจึงเป็นกุญแจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาจิตของเราไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของธรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นหลักการทางดำเนินเพื่อแก้ไขส่วนในแง่การปฏิบัติใช้จริงนั้นจู่ๆจะพิจารณาแล้วได้ผลเลยก็คงจะลำบากสักหน่อยเพื่อจะให้ปฏิบัติได้ดีมีประสิทธิภาพ ก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะอื่นๆมาร่วมด้วยเริ่มด้วยการมีสติที่เป็นสัมมาสติให้ได้บ่อยๆ อ, อาจจะเป็นการระลึกถึงพุโทโธหรือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ก็เพื่อฝึกให้ใจของเรามีเครื่องอยู่เครื่องผูกจิตใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดนึกปรุงแต่งสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจคือให้ย้อนกลับเข้ามาภายในให้ได้บ่อยๆไม่ออกไปตามอารมณ์ที่มากระทบแบบที่ผ่านๆมาคำถามก็มีว่าเราพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเลยไม่ได้หรือก็ตอบว่าได้ แต่จะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่นั้นก็บอกได้ว่าผลสําเร็จจะต่ําเนื่องจากผลที่เราต้องการนั้นคือต้องการให้ใจนั้นเห็นหรือรู้สึกถึงความไม่เที่ยงเพียงแต่คิดหรือสั่งให้คิดนั้นถ้าอารมณ์ใจไม่ได้น้อมไปตามสิ่งที่คิดผลที่ได้ก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนเรายุ่งวุ่นวายกับการงานมาทั้งวัน กลับมาก็อยากพักผ่อนล้มตัวลงนอนใจก็ยังกังวลกับงานอารมณ์ใจก็ผูกกับงานถึงเราจะสั่งให้ใจว่าถึงเวลาพักแล้วแต่ใจก็ยังไม่ปล่อยอารมณ์ที่ผูกไว้ก็ทำให้พักลำบากหรือนอนหลับได้ยากอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนเราสวดมนต์เราจําบทสวดได้ดีแล้ว ในขณะที่เราสวดมนต์ไปนั้นใจก็ไม่ได้อยู่กับบทสวดใจแอบหนีไปอยู่กับเรื่องที่กังวลมีเรื่องงานเป็นต้นแบบนี้การที่เราสวดมนต์แล้วใจจะได้พักได้เป็นกุศลได้พิจารณาไปตามบทสวดก็มีอันเสียเปล่าไปได้เพียงแต่กิริยาที่สวดมนต์ที่คนอื่นจะได้เห็นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นใจที่ฝึกดีแล้ว ฝึกให้ปล่อยจากสิ่งภายนอกได้จนเป็นนิสัยย้อนใจกลับมาผูกไว้กับคำบริกรรมคือพุทโธหรือลมหายใจได้อย่างชำานาญเมื่อต้องการพักจากอารมณ์ภายนอกก็สามารถทําให้ใจปล่อยวางจากภายนอกย้อนกลับเข้ามาอยู่ในภายในสงบไม่วุ่นวายได้และเมื่อทําได้ดังนี้ใจที่ได้พักก็จะมีกําลังเมื่อมีกําลังแล้ว เราสั่งให้ทำงานคือให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารที่ยั่งยืนถาวรไม่ควรค่าแก่การยึดมั่นถือมั่นควรแล้วที่จะปล่อยวางใจก็จะน้อมไปในอารมณ์เหล่านี้ได้ปรากฏเป็นอารมณ์ของการพิจารณาขึ้นในจิตใจได้อย่างดี นี่ก็จะเป็นการบรรเทาอำนาจของโลกธรรมทั้งหลายที่มีต่อจิตใจของเราลงได้ไม่ให้มันมีอำนาจชักจูงจิตใจเราให้หลงไปแสวงหาไปในทางอากุศลผิดศีลธรรมเมื่อบรรเทาได้ดังนี้จิตใจของเราก็จะเป็นจิตที่มีสภาพเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมต่างๆเพราะเหตุจากการที่เราพิจารณาได้อย่างดี และสม่ำเสมอจนถึงสภาวะตามมงคลภาสิทธิที่ยกไว้แต่ต้นคือจิตตังยัตสะนกกรรัมปติคือไม่หวั่นไหวมีผลเป็นความเจริญเป็นมงคลแสดงถึงการพัฒนาทางจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไปในทางเสื่อมอกุศลมีผลคือป้องกันไม่ให้ตกไปสู่อบายและก้าวไปบนทางแห่งความเจริญ ใจมีสภาพคืออาโซกังคือไม่โศกวิรจังคือไม่เศร้าหมองเข้มังคือกเกษมถึงซึ่งบรมสุขคือนิพพานได้ในที่สุดที่ได้บรรยายทำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง